ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จินตนาใข้กวนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุผลมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนี้วะจินตามายะปัญญาภาวนามยะปัญญาภาวนาคือทาจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้นิ่งซะก่อน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 อุปชิตวานิรุจันติขยะวยะธรรมาสังฆาราอปปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันบำเพ็ญอุศลถึงหลวงปู่ภูลของพวกเราวันนั้นหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสังเวย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 ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีแต่ท่านอาจจะจ ต, ตุนิ่เรพผานเพราะท่านบาเพ็ญมานานถึงขนาดนี้แต่ถึงยังไงมาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่พวกเราจะเดินทางข้ามพกข้ามชาติอย่างพวกเราจะเดินทางไปต่างประเทศอย่างเนี้ยพวกเราจะเดินทางไปต่างประเทศถ้าว่าท่านผู้ใดไปแบบผูกปับไปแบบ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 ต้องนั่งสมาธิต้องทำสมาธิทำสมาธิเนี่ยทำอย่างไรเพราะพระองค์บอกว่าเรานั่งสมาธิอยู่ที่โครนต้นโพวันเดือนปกเพนเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอปูอาชนะคือยญ้าคาที่นายโสธิยะนำมาถวายนำมามอบให้แปดกำมือเราได้เอ า, อ ย, า, าย่าคาเกลี่โรไป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 ที่สงบสงัดอยู่ในป่าช้าอยู่ในป่าโรงปงไัยอยู่ในเงื้อมผาอยู่ในถ้ำนี่แหละอย่างหลวงปู่มั่นของพวกเราท่านมาอยู่ที่บ้านหนองกองหรือบ้านคอนาลายอย่างเนี้ยที่เป็นวัดป่าสมัยเก่าแก่ดึกดาบัดสมัยแปดสิบเก้าสิบปีให้หลังจากนั้นท่านยึงไปที่น้ำตกยุงทองอีต่างหากบ้านนาหมีนายุงสมัยนั้น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 ถ้ากลัวความกลัวมันมีมันจะไม่ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกนะทีนี้ mixer. เราว่าบอกว่าถ้าอยากจะให้ถ้ามันกลัวขึ้นมาให้อยู่กับกรรมฐานพุโทโธนะนีน่พวกเราก็จะอยู่ในพุโทโธเพราะมันกลัวมันกลั ว, ม, ลวมันกลัวผีจะมาหลอกมาผีมาจะหักคอกลัวผีจะมาทําร้ายทำร้า ย, รายเราเราก็อยู่กับพุโทโธเลยกําหนดพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุโทโธใจของเราจะไม่ส่งออกไปข้างนอกเพราะมันอยู่กับตัวเอง นั่นแหละยู่กับพ่ททนะ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำว่าให้ไปอยู่ในที่สถานที่กลัวๆจึงภาวนาในเมื่อเราไปอยู่สถานที่กลัวแล้วเราพุทโทพุทธโทพุทโ ท, ท, โทใจเพาะเราก็รวมสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งในเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใคร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 ถึงจะระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อก็าตามนะบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะเจตนาของเรามีความเชื่อมั่นเป็นความตั้งใจแต่ถ้าว่าผู้ใดทําไปสักแต่ว่าทํำความเชื่อไม่มีอยู่ในจิตใจยังไม่เชื่อมั่นว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญอีกต่างหากไม่เชื่อบาบาบุญคุณโทษมีนรกสวรรค์มีตายแล้วสูญอีกอันนี้ถ้าคำว่าพวกเราคิดเพียงแต่ว่า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 ถ้าพวกเราทำความดีกรรมดีกรรม ด, ดีหรือบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นใจของเราเน่เป็นทั้งคลังของความชั่วทั้งคลังของความดีเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมแต่คุณงามความดีตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ทำมีหลายระดับที่พวกเราประพฤติปฏิบัติมีทั้งทานมีทั้งศีลและก็มีทั้งภาวนาด้วย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 แต่หลวงพ่อว่าให้เลือกสายหลงปูมั่นด้วยซพวกเราในฐานะสิทธิญาณุสิทธิทั้งหลายให้เลือกวิธีการที่หลวงพ่อได้ศึกษามาหลวงพ่อมั่นใจว่าแนวแถวของหลงปูมั่นพาดําเนินเนี่ยเอท่านให้อสอนจิตยาณุสิทธิของท่านท่านบอกว่าให้นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าว่ากำหนดลมหายใจเข้า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 นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะจททาญาิโยมทั้งหลายฟังฟังแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนที่ท่านบอกกล่าวลูกศิกษย์ลูกหาของท่านคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ได้นำทำสอนหลวงปู่มั่นมาบอกกล่าวมาเป็นทอดๆจนมาถึงหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็เนตแนะนำได้ฟังทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา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 อย่างนั้นก็ได้อย่างมานั่งมาล้ำลึกถึงหลวงปู่คูณของพวกเรา เ, เรามานั่งอยู่ที่ศาลาต่างคนก็ต่างนั่งล้ำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่วันกรรมพุทธโธพุทธโธล้ำลึกถึงบุญคุณหรือว่ามรณะนุสติที่หลวงปู่ของเราได้พบได้เจอได้เห็นพวกเราก็จะต้องได้พบได้เจอเหมือนกับท่านนี่แหละอันนี้ก็น้อมจิตของเราให้ถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายที่จะมาสู่ตนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเราจะมานั่ง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 เวลาจิตสงบแล้วอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกนะเน อ, ออันนั้นมาคายท่าบอกเป็นพุทธะอันนี้เป็นเราเป็นสาว ก, กะเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนาจิตใจที่รวมสงบนั้นนะนำมาพิจารณากรรมฐานกรรมฐานห้าคือเกสาโลมาณขาทันตาตะโจกเกสาผมโลมาขนณขาเล็ดทนันตาฟันตะโจหนังเออครถึงหนังแล้วก็ยุดเพราะว่า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 ต่อมาก็จะแต่งงานสืบสันติวงศ์ครองกรุม ก, กระบินพัสต์ต่อไปแต่ทีนี้ยังไม่ถึงครั้งนั้นพระพุทธองค์เขเทศพนันทะกุ ม, มาร ก, ก็ได้บวชต่อมาพระเจ้าจุโทธนคพระบิดากวาสวัลนคร ต, ต่อมาพระพุธองค์ก็ได้โปรดพระลาหุลในชงที่ปวดพระลาหุลคือบุตรพระพุทธเจ้าพระราหุล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 เออพระลาหุูก็บอกว่าพระบิดาบอกว่าอันไหนดีกับผมก็เอาวันนั้นแะครับผมเออเอาถ้างั้นก็บวชเอาสารีบตรบวชนายพระสารีบวชก็เลยบวชให้พระาหุมถึงเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระเจ้าจุดโทชนะเสียใจอย่างมากพระบิดานะเพราะว่าโอ้เราก็ตั้งความหวังว่าในเมื่อนันทบวชแล้วก็ยังลาหุูก็ยังอยู่แต่บัดนี้ลาหูบวชจแล้ว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 ที่บวชในคราวนี้เพราะว่าหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้หลานเป็นผู้คลองราชสมบัติแต่บัตดนี้หลานได้บวชใชแล้วบวชในพุทธศาสนาใช่แล้วทําให้ตระกูลหมดขาดจะบั้นลงไปแล้วงคงจะเป็นพวกน้องๆจะเป็นรักษา ร, ราชบัลลังต่อไปเพราะฉนั้นตั้งแต่บัตดนี้เป็นต้นไปนะั้นลูกนะถ้าจะให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังเข้ามาบวช ขอให้ได้รับอนุ ญ, ญาตจากบิดามารดาของเขาก่อนพระเจ้าค่ะกระผมขอพรจากพระพุทธเจ้าด้วยเถินพระพุทธเจ้าเออให้พรพระบิดาออบอกว่าตอนนี้ต่อไปคุณบุตรจุดท้ายภายหลังจะเข้ามาบวชเนี่ยออต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาซะก่อนจึงให้บวชได้ถ้าไม่พ่อแม่เขาไม่ให้บวชห้ามบวชถ้าบวชแล้วก็เป็นอาบัติตก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 เป็นคนสสวยมากในครั้งนั้นนางอยู่อยู่ตามลําพังในห้องสิบสองซอกห้องอยู่ในสิบสองซอกไม่ต้องจุกเทียนแสงสว่างออกจากร่างกายของนางนางจะหยิบเอาอันไหนก็ได้ในห้องเ พ, อเพราะเหตุใดเพราะนางมีรัศมีไอ้ ใ, ใครก็ว่ามีแสงไฟมีแสงเรือเลือดออกจากร่างกายของนางเพราะฉะนั้นนางจึงหลงร่างกายว่าเป็นของของตนเป็นของเรา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 ถ้าว่าเราปล่อยวางเราไม่ยึดมัน่นชือมั่นในร่างกายจะเป็นสุขอย่างยิ่งคือความปล่อยวางในในตัวของเราเองนี่แหละอันนี้ก็คือบทหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อไ ด, ด้พูดว่าไคยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะซัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทีย่ยขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้